ธรรมบทแปลเรื่องสานุสามมนินภาคที่เจ็ดเรื่องที่สองพระาศาสดาประทับอยู่นะพระเชตวันทรงประลบสามนินชื่อสานุตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอิทั่งปุเรจิตตะมะจาริจาริกัง เยนิจฉ ah ah ah, ะกังยถตถะมังยถาสุขังตทัจฉังนิขะเหตสามิโยนิโสหัตทิปะพินังวิยะอังกุสะขโหแปลว่าเมื่อก่อนจิตนี้ได้เที่ยวจาริกไปตามอาการที่ปรารถนาตามอารมณ์ที่ใคร่และตามความสบาย วันนี้เราจะข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการประหนึ่งนายขวานช้างคมช้างที่ซับมันฉะนั้นตอนสานุสามเณรประกาศธรรมะได้ยินว่าสามเณร น, นั้นเป็นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งครานั้นนางให้บุตรบวช ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กเดียวตั้งแต่เวลาบวชแล้วสามเณรเป็นผู้มีศีลเพียบพร้อมด้วยข้อวัดเตอได้กระทำวัดแก่อาจารย์อุปชาและพระอาคันตุกะทั้งหลายมิได้ขาดตลอดแปดวันของเดือนเธอลุกขึ้นแต่เช้ามืดหลังจากตักน้ำไปไว้ในโรงน้ำแล้ว ได้ปัดกวาดโรงธรรมตามประทีปประกาศให้คนมาฟังธรรมะด้วยเสียงอันไัเราะพิกษุตัหลายเห็นความสามารถของเธอจึงเชื้อเชิญว่าสวดบทธรรมะสามเณรเธอไม่อิดเอือนใดๆว่าเกิดจุกเสียดหรือเป็นโรคไอแต่ได้ขึ้นสู่ธรรมะสวดบทธรรมะ เหมือนหลังสายน้ำจากอากาศเมื่อจะลงจากธรรมะมกล่าวว่าข้าพเจ้าให้ส่วนบุญในการสวดนี้แก่มารดาและปิดาของข้าพเจ้าคนทั้งหลายไม่ทราบว่าสามเณรให้ส่วนบุญแก่มารดาและปิดาตอนยักษ์ศรีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร กมารดาในชาติที่แล้วของเธอมาเกิดเป็นยักษ์ศีนางยักษ์พร้อมกับเทวดาทั้งหลายมาฟังตบ ม, มาด้วยเมื่อจะอนุโมทนาส่วนบุญที่สามเณรให้จึงกล่าวว่าฉันขออนุโมทนาพ่อธรรมดาภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่รักของชาวโลก จนถึงเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาที่มีความละอายมีความเคารพในสามเณรจึงเห็นเธอเป็นเหมือนมหาพรหมและเหมือนกองไฟและเพราะความเคารพในสามเณรจึงถือนางยักษ์เป็นผู้ที่ควรเคารพด้วยในเวลาฟังธรรมและเวลาที่ยักษ์ประชุมกันเป็นต้น อมนุษย์ทั้งหลายย่อมให้ที่นั่งที่ดีน้ำที่ดีอาหารที่ดีแก่นางยักษ์ด้วยคิดว่านางยักษ์ตนนี้เป็นมารดาของสานุสามเณรยักษ์ทั้งหลายถึงมีศัก์ใหญ่เมื่อเห็นนางก็หลีทางให้หรือลุกจากที่นั่งตอนยักษินี เข้าสิงสามเณรครันสามเณรนั้นโตขึ้นมีร่างกายสมบูรณ์ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคัน้นไม่สามารถบรรเทาได้ปล่อยผมและเล็บไว้จนยาวมีผ้านุ่งและผ้าห่มมอมแแมมไม่บอกใครยิบบานและจีวรไปเรือนมารดาลำพังเพียงคนเดียว อุบาสิกาเห็นบุตรแล้วไหว้ถามว่าพ่อครั้งก่อนพ่อมาที่นี่พร้อมกับอาจารย์และอุปชายยะหรือพร้อมกับภิกษุหนุ่มและสามเณรเพราะเหตุไรวันนี้พ่อจึงมาคนเดียวเล่าสามเณรจึงบอกความที่ตนเบื่อนายให้มารดาทราบแม้อุบาสิกาผู้มีศรัทธา จะชี้โทษของคร์บาตโดยประการต่างๆตักเตือนบุตรก็ไม่อยากให้เธอยินยอมได้แต่ก็ไม่เสือกใสไปเลยทีเดียวโดวยคิดว่าเอาเถอะสามเณรจะเข้าใจได้อเองจะเข้าใจได้เองนังงนี้แล้วจึงกล่าวว่าพ่อโปรดรอจนกว่าฉันจะจัดยากูและพัดให้พ่อเสร็จเมื่อพ่อดื่มยากูและ ฉันเสร็จแล้วฉันจะนาผ้าที่ดีๆมาถวายแล้วจึงได้จัดที่นั่งถวายสาวเปนนั่งรออุบาสิกาจัดแจงยาคู่และของขบเคี้ยวเสร็จโดยรวดเร็วได้นามาถวายต่อมาอุบาสิกาคิดว่าเราจะจัดเตรียมอาหารอีกดั น, น, นี้แล้วจึงนั่งเส่าข้าว อยู่ในที่ไม่ไกลกระนั้นนางยักษ์ใกล้ครวน อ, อยู่ว่าสามเณรอยู่ที่ไหนนาได้อาหารหรือยังนางนี้ทราบว่าสามเณรนั่งอยู่ที่บ้านเพราะอยากจะศึกจึงคิดว่าเธออย่าได้ทำให้เราขายหน้าเทวดาทั้งหลายเลยเราจะไปขัดขวางการศึกของเธอนางนี้แล้ว จึงมาเข้าสิงในร่างของสามเณรนั้นบิดคอให้ล้มลงกับพื้นสามาเณรตาเหลือกทั้งสองข้างน้ำลายไหลฟูมปากดิ่นอยู่บนพื้นอุบาสิกาเห็นบุตรมีอาการผิดปกติจึงรีบมาประกองบุตรให้นอนบนตักชาวบ้านต่างพากันทำการเช่นสวงมีพลีกรรมเป็นต้น อ, อุบาสิการคร่ำครวนส่วนอุบาสิการคร่ำครวนพรางกล่าวคาถาเหล่านี้ขึ้นว่าชนเหล่าใดรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ตลอดดีทีที่14 15และ8แห่งปักและตลอดปาริหาริยะปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลาย ย่อมไม่เล่นกับชนเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ฟังคําของพระอรันทั้งหลายมาเช่นนี้ในวันนี้เดี๋ยวนี้เองข้าพเจ้าเห็นกับตาว่ายักษ์เล่นกับสานุสามนเณรนางยักษ์ได้ฟังคําของอุบาสิกานั้นแล้วจึงได้กล่าวคําที่เป็นกาถาว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นกับผู้รักษาอุโบสถ ประกอบด้วยองค์8ตลอดดีถีที่ส4 1สี่สบห้าและแปดแห่งปักและตลอดปริหาริยาปักผู้ประพฤติปรมจันคำของพระอาหารหันต์ดังที่ได้ฟังมาถูกต้องแล้วเมื่อสานุสามเณรฟื้นขึ้นขอท่านจงบอกเขาว่านางยักษ์สั่งไว้ว่าอย่ากระทำบาปกรรมทั้งไหนที่รับ หรือในที่แจ้งเพราะว่าท่านจะกระทำครรมชั่วก็ตามกาลังกระทำอยู่ก็ตามถึงจะเหาะหนีไปก็าหาหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ดังนี้นางยักษ์ตนนั้นกล่าวว่าเมื่อเจ้าทำครรมชั่วอย่างนี้แล้วแม้บินไปได้เหมือนนกก็หนีไม่พ้นดังนี้แล้วจึงปล่อยสามเณร สามเณรนั้นลืมตาขึ้นเห็นมารดาสยายผมร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่และเห็นชาวบ้านทุกคนมาชุมนุมกันอยู่ไม่รู้ว่าตนถูกยักเข้าสิงนึกสงสัยขึ้นว่าเมื่อก่อนเรานั่งบนตังมารดาของเรานั่งสาวข้าวอยู่ณนะที่ไม่ไกลเดี๋ยวนี้เรากลับมานอนอยู่บนพื้น นี้เกิดอะไรขึ้นนางนี้แล้วจึงกล่าวกับมารดาทั้งทั้งที่นอนอยู่ด้วยคําที่เป็นกาถาว่าโยมชนทั้งหลายร้องไห้ถึงคนตายหรือไม่ก็ถึงคนที่มีชีวิตแต่ไม่เห็นหน้ากันโยมโยมก็เห็นว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉไ น, นจึงร้องไห้ถึงฉันเล่าคระนั้น มานดาเมื่อจะทรงแสดงให้เธอทราบถึงโทษของบุคคลผู้ละวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมออกบวทแล้วยังสึกออกมาจึงกล่าวด้วยคำที่ผูกเป็นกาถาว่าลูกเ อ, อ๋ยชนทั้งหลายร้องไห้ถึงคนที่ตายไปหรือไม่ก็ถึงคนที่มีชีวิตแต่ไม่เห็นหน้ากันแต่ผู้ใด ละกามทั้งหลายแล้วยังจะเวียนหากรรมอีกลูกเอย๋ยคนทั้งหลายร้องไห้ถึงผู้นั้นได้เช่นกันเพราะเขาถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายไปแล้วครันกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะแสดงโทษในการกรองเรือนว่าเป็นเช่นกับหลุมถ่านเพลิงและเป็นเช่นกับเหว จึงกล่าวด้วยคําที่เป็นคาถาต่อไปว่าพ่อพ่อถูกยกขึ้นจากหลุมฐานเปลิงแล้วยังอยากตกลงสู่หลุมฐานเปลิองอีกพ่อพ่อถูกยกขึ้นจากเหวแล้วยังอยากจะตกลงไปสู่เหวอีกต่อมาเมื่อจะแสดงว่าลูกขอพ่อจงมีความเจริญเถิด ก็ฉันจะปรับทุกแก่ใครจะให้ใครช่วยคิดถึงข้อนี้ว่าบุตรน้อยของเรานี้เรานำมาบวชในพระพุทธศาสนาประหนึ่งของมีค่าที่ขนออกจากเรือนซึ่งกำลังถูกไฟไหม้ยังอยากถูกไหมในกระวาสอีกขอท่านทั้งหลายจงรีบช่วยด้วยจงช่วยต้านทานแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด นางนี้นางจึงกล่าวคาถานี้กับสานุสามณ์เนนันว่าขอท่านทั้งหลายจงรีบช่วยด้วยลูกจงเจริญแม่จะปรับทุกข์กับใครเล่าลูกเป็นดุจของมีค่าซึ่งถูกขนออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วยังถูกไฟไหม้อีกก็เมื่อมารดาพูดเช่นนั้น ศา누สามเณรนั้นคิดได้จึงกล่าวว่าฉันไม่มีความต้องการเป็นเครือขัดคระนั้นมารดาของเธอกล่าวว่าดีแล้วพ่อก็มีความพอใจจึงนิมนต์ให้ฉันพัฒหาอันประนีตถามว่าพ่อมีอายุเท่าไรก็ทร า, าบว่ามีอายุครบอุปสมบทแล้วจึงจัดหาไตรจีบอรให้ เธอมีบาทและจีวรครบได้อุปสมบทแล้วเมื่อท่านบวชแล้วไม่นานพระศาสดาเมื่อจะทรงให้ท่านเกิดความอุตสาหะในการข่มจิตจึงตรัสว่าธรรมดาจิตนี้เศร้ายไปในอารมณ์ต่างๆ ต, ตลอดกาลนานความสวัสดีย่อมไม่มีแก่บุคคล ควบข่มจิตนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำความเพียรในการข่มจิตเหมือนนายควานช้างพยายามในการข่มช้างซับมันด้วยขอฉะนั้นแล้วตรัสประคาถานี้ว่าเมื่อก่อนจิตนี้ได้เที่ยวจาริกไปตามความปรารถนาตามความใคร่ ตามความสบายวันนี้เราจะข่มมันด้ยโยนิโสมนสิการวันหนึ่งในควานช้างข่มช้างที่ตกมันฉะนั้นบาลีว่าอิทังบุเรจิตตะมะจาริจาริกังเยนิชะกังยัตถะกามังยัตถสุขังตะทัชหัง นิค่ะเหสามิโยนิโสคาติะ ป, ปะพิ น, นังวิยะอังกุสักขะโหก็ในประกถานั้นมีคำอธิบายว่าก่อนแต่นี้จิตนี้เที่ยวจาริกปาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นตลอดกาลนานชื่อว่าตามความปรารถนาเพราะเป็นไปตามมาการ ที่ปรารถนาแห่งกิเลสมีราคาเป็นต้นชื่อบาตามความใกล้เพราะเป็นไปในที่ที่ก็ให้เกิดความใกล้ชื่อบาตามความสบายเพราะเที่ยวไปตามสภาพที่จิตเที่ยวไปแล้วมีความสบายวันนี้เราจะคมจิตด้วยโยนิโสมนัสิการคือจะไม่ยอมให้มันรุกล้ำได้ เหมือนบุรุษผู้ถือขอผู้ฉลาดคือนายวานช้างคมช้างซับมันคือช้างที่ตกมันไว้ได้ขอฉะนั้นในเวลาจบเทศนาการบรรลุธรรมได้มีแล้วแก่เทวดาเป็นอันมากผู้ขอไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมะพร้อมกับพระสานุก็ท่านผู้มีอายุนั้น เรียนพระพุทธบัจนะคือพระไตรปิฎกแล้วได้เป็นพระธรรมกตถึกที่เชี่ยวชาญมีอายุอยู่ถึงร2อยยี่สิบปียังชมบูทบีบทั้งสิ้นให้กระอนปริปนิพานแล้วแหละเรื่องสานุสามเนิน